ฟังทำตามการําเวลาเป็นมงคลการฟังธรรมนี่ก็คือการฟังเรื่องของตัวเราปฏิสอนก็สอนในสิ่งให้เราช่วยตัวเองใม่ใช่สอนให้รู้การสอนให้รู้ต้องไปเรียนอยู่ในโรงเรียนการสอนให้ปฏิบัติธรรมไปสอนให้ตัวเองช่วยตัวเอง เรามีโอกาสที่จะช่วยตัวเราเยอะแยะเช่นเวลาใดมันหลงช่วยตัวเองให้ไม่หลงสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ช่วยตัวเองเป็นตอนนี้ก็เรียกว่าแต่เข้มแข็งขึ้นเวลาใดที่มันง่วงเหงาหอนอน อช่วยตัวเองไม่ให้มันง่งวงปลุกตัวเองให้ตื่นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในวลาใดที่มันหมกมุ่นคุณคิดพยายามที่จะช่วยตัวเองให้รู้สึกตัวแต่ช่วยตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่ท้สิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะให้เอาความรู้สึกตัวไปเกีเ่ยวข้องทั้งหมด ไห้สอนให้ท ำ, ทำเรื่องเก่าเป็นความคิดนั้นคิดที่ใดก็ตรงรู้สึกตัวช่วยตัวเองให้รู้สึกตัวหร้ว่ามันเบื่อมันปวดมันเมื่อยก็้องเพียรพยายามที่จะรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง นี่คือสอนมาช่วยตัวเองเหมือนพ่อแม่สอนลูกนั่นก็คือทําให้ลูกจเจริญเติบโตพ่อแม่เลี้ยงลูกลูกก็โตเองบางคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมถึงว่าลูกตัวเองใครเป็นคนเราข้าวให้ลูกกินก็แม่พ่อนั่นแหละ ใครเป็นผู้จูวเอานมให้ลูกกินก็แม่นั่นแหละแต่ว่าใครเป็นคนที่กลืนนมใครเป็นคนที่กลืนข้าวกับลูกถ้าพ่อาแม่อานมให้ลูกกินนมไม่ลูกไม่กลืนไม่กินนมนั้นไม่ใช่ความปรารถนาของพอ่อของแม่แต่พ่อแม่เอาข้าวให้ลูกกินแต่ลูกไม่กินข้าวเ็าเรียกว่าพ่อแม่ก็ ทำหน้าที่จะไม่สมบูรณ์ความหวังของพ่อของแม่ก็คือให้ลูกกินข้าวให้ลูกนอนหลับให้ลูกช่วยตัวเองเวลาใดที่โลกลูกล้มแม่ก็บอกลูกขึ้นลูกขึ้นเราก็ลุกลูกก็ลุกขึ้นแม่ก็ตกไปโยช่วยโเช่ยโยลูกคนใดล้มลงน่ะคอยที่จะให้แม่ไปยก แม่ก็สอนไม่โตเลี้ยงไม่โตก่านปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันทางอย่างนะต้องช่วยตัวเองให้มากๆมันก็มีการมีการที่เราจะต้องช่วยตัวเองอยู่ตลอดเช่นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจเจริญสตเิเราสร้างความรู้สึกตัว สิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันก็ทะลักเข้ามาหลายหลายอย่างอย่างน้อยก็ต้องเห็นกายเกี่ยวกับกายก็ไม่เยอะสิ่งที่เราหลงไปกับกายกายทำให้เราหลง ไ, ไมแล้วก็พยายามที่จะรู้สึกตัวโดยรูปแบบใดแบบหนึ่งเทคนิคแบบใดแบบหนึ่ง ความหลงของกายก็มีเวทนาบ้างความปวดความเมื่อยความอ่อนล้าปวดขาล้าแข็งปวดขาปวดแข น, แเนเราก็เพียายามที่จะรู้สึกตัวโดยวิธีใดวิธีหนึ่งบางทีเรื่องของความรู้สึกตัวก็มีความหลงเกิดขึ้นความม่งเกิดขึ้น ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นความเห็นเกิดขึ้นเอาความเห็นเอาเหตุเอาผลเข้าไปเกี่ยวข้องมากมายหลายอย่างนะที่เราสร้างความโลภสึกตัวแทนที่จะได้ความรู้สึกตัวอาจจะเกิดความหลงมากมากมากบางทีเราก็จนช่วช่วยตัวยังไม่เป็นถูกความหลงถูกความคิดครอบงาจนเครียด จนเบื่อจนเซ็งไปเลยใช่ไหมเราจึงเพียรพยายามดูดีๆ ด, ดูดีๆหลักมันก็มีว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติดูกายวิธีใดที่เราจะรู้กายอยู่บ่อยๆเราสร้างขึ้นมาอย่าหลงส้นอย่าหลงส้นให้เห็นกายต่อหน้าต่อตา การเห็นกายต่อหน้าต่อตาเนี่ยไม่มีคำถามวิธีใดที่จะเห็นกายเช่นการเคลื่อนการไหวการหายใจการกลืนน้าลายการเดินที่นี่บท ใ, ใหญ่ๆอาจจะมีการเดินกับการนั่งสร้างเังหวะแต่การนอนเนี่ยมีแต่ว่ามีน้อยๆแล้วก็เห็น วิธีที่จะให้เหตุให้กายเป็นหลักทสี่ต่อเอากายเป็นหลักเอากายเป็นในมิตหัดให้รู้ที่กายไปก่อนอย่าไปยุ่งกับความคิดอย่าไปเอาเหตุเอาผลอย่าไปเอาความถูกความผิดที่มันเกิดจากความคิดหาคำตอบจากความคิดอย่าเพิ่งไปเอาตั้งไว้เสียก่อนให้สติมันตั้งไว้ที่กาย มั น, านนานดูก่อนมันก็จะพัฒนาไปเองดอกถ้าความรู้สึกตัวมีอยู่ที่กายแล้วมันก็มีกำลังสามารถที่ไปรู้อันอื่นได้โดยที่ง่ายๆแต่ถ้าไม่มีความรู้ตั้งไว้ที่กายก่อนมันไม่สามารถที่ไปรู้อันอื่นได้เพราะมันไม่มีที่ตั้งการฝึกสติเนี่ยมันต้องมีที่ตั้งมันจะจะมีพลังเมื่อเราจะฟันน้ย เราต้องมีท่าที่ยืนที่วั่นคงมันจึงจะมีเลี้ยวมีแรงปันไม้มันจึงจะตัดไม้โซนนั่นขาถ้ายืนไม่ดีมันก็ตัดไป่ไดมันไม่มีแรงออกแรงไม่เป็นแม่ขวัดมันคมมีดมันคมมันก็ไม่สําเร็จการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน ในภาษาจึงพระพุทธองค์จังสอนว่ากรร ม, มฐานเป็นที่ตั้งของการกระทำํำให้มีที่ตั้งให้มีการกระทําเมื่อตั้งไว้แล้วต้องทําเหมือนเรายืนได้ที่ยืนเราต้องฝันเราจะตัดต้นไม้ยืนแล้วต้องฝันหรือเราจะขุดดินยืนแล้วต้องขุดมันยังจะสําเร็จประโยชน์นี่เรามาจเจริญสติ เราต้องมีที่ตั้งกายานปัศนามีสติแล้วก็ต้องรู้ไม่แค่นั่งตัวลอยๆง่วงเหงาห่นอนออกมุ่นไหลหลุดไปไหนไม่เอาลับไปแม้มันจะหลุดไปไม่เป็นไรเวลาที่เราจะเจ่งเวลาที่เรากลับมานั่นแหละมันจะเก็กตรงนั้นการปฏิบัติทำ ม, มันจะถูกพัฒนาตรงนั้น เวลาใดที่มันหลุดไปจากกายเรารู้จักกลับมานั่นแหละถูกพัฒนาแล้วเพราะนันเราเรียนหนังสือเราเขียนผิดเราลบเราแก้เราเขียนใหม่มันจะเจ๋งตัวนั้นแล้วถ้าผิดแล้วไม่แก้มันก็จะผิดไปต่เอเพื่อเพอเพนก็เราสารอ่จาจับสารอะไรที่เป็นหัตถกรรมเมื่อมันผิดเราต้องแก้ แก้ความผิดเป็นแสดงว่าใช่ได้ถ้าแก้ความผิดไม่เป็นใช่ไม่ได้เรามีการบ้านปฏิบัติธรรมมีงานมีการที่จะต้องทำให้กระตือหรือลดอย่าเบื่อหน่ายบางคนนี่เบื่อหน่ายต่อความหลงความหลงไม่ใช่ความเบื่อหน่ายเป็นการจัดเจนเป็นการที่จะต้อง ศึกษาเป็นการที่จะใช่ศิลปะวิทยาอนาใด้ที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวแล้วเป็นการกระตือรือร้นกับความหลงเพราะว่ามันเป็นงานแต่เราไม่แก้ความหลงไม่รู้ว่าจะทําอะไรในโลกนี้มันจะไปถึงไหนมันก็เหมือนคนที่โซ่ไม่แก้แกุญแกไม่ไขมันก็ไปไม่ได้ความหลงก่อ เาากลากดึงเราตลอดเวลาหลงแล้วห ล, ล, ลงอีกหลงจนตายแล้วความหลงมันก็ไม่ยิ่งใหญ่อะไรแต่มันมน้อยๆแต่มันมีบริวารมากมันไปไกลขอบหลงอนะเป็นกิเลสตัณหาราะโทสะโลกทุกสุกวิกฤตลังเลสงสัยก็อไปไกลเราจึงมาลู้นอหลงเฉยๆคิด ไม่ก็ไปเป็นไรดอกเดี๋ยวสร้างสเตอเอามาปล่อยให้มันเคลียดไปก่อนให้มันสุกไปก่อนให้มันทุกไปก่อนไม่ได้การปฏิบัตนะิธรรมมันทําไม่สําเร็จจะไปเอาออื่นเลยไม่สําเร็จต้องสร้างความรู้สึกตัวคู่กับความหลงความรู้สึกตัวนะมีความรู้สึกตัวคู่กับความหลงแค่นี้เองงานที่เราทํามีเท่านี้อนะ ถ้าเราไม่รู้สึกตัวบางทีมันจะไม่เห็นความหลงมันจะเท่าๆ่ากันคนที่ไม่เคยสร้างความรู้สึกตัวเวลาใดที่มันหลงก็หลงอยู่ได้เฉยอยู่ได้ด้านไปเลยด้านอยู่กับความหลงกไนไหมเราจะมาฝึกตรงนี้กันให้ทำตรงนี้กันให้เปลี่ยนตรงนี้กันให้แก้ตรงนี้กันให้ขยันตรงนี้กัน แล้วมันมีสิ่งที่ทำให้หลงเดียวแยะไปเลยว่าแต่เราให้รู้จะแก้อะไรมันก็หลงก็แก้ได้ทั้งนั้นในภาษาที่พระพุทธเจา้าสอนเราไว้สำหรับระโยคาวจรผู้บมเพ็ญเพียรตผู้เดินทางมีอุปสรรคที่ขวางกั้นอยู่เหมือนกัน อันหนึ่งก็ควงองอาหงานอนขวงกันเอาไว้ไม่ให้รู้สึกตัวเอาความง่วงมาใสความง่วงเนี่มันกับมันดือ้อมันกับตัวดือ้อมันลูกที่มันดื้อนั่นแหละแล้วก็พยันพยายามค่อยบอกค่อยสอนความง่วงเหงาหาอน มันไม่อยากรู้อะไรมันก็ทําให้อ่อนแอไปเลยกายก็อ่อนไปเลยจิตใจก็อ่อนไปเลยมันใส่สลบทอดไปเลยมันทําให้หลับไปเลยแล้วก็ยามปลุกตัวเองให้ตื่นเพียงพอวิธีที่เราปลุกตัวเองให้ตื่นมันเพียงพอมันพอเพียงพอไม่ใช่เลือะแยะไปหมดเลย จะนั่งอยู่วันง่วงก็ต้องลุกขึ้นเดินจงกรมลุกขึ้นเดินจงกรมอลุกขึ้นเดินจงกรมมันยั ง, ง่วงอยู่มือลูบหน้าลูบตาลูบไปตามตัวหรือเอาไม้สำลีมาเยาะหูเออล้างหน้ามองท่องพระมองทิศมองทางตาความรู้สึกว่าเป็นกลางวันไม่ใช่กลางคืน อาความรู้สึกก็ไปว่ากลางวันเป็นเวลาทางนานไม่ใช่เวลานอนแต่ว่าต้องนอนให้พอนอนต้องห้าหกชั่วโมงานอนนี่อยากจะให้อยากให้นอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นดึกดึกดีมากถ้านอนดึกตื่นสายเนี่ยไม่ค่อยดีไม่เหมาะสมสำหรับนักปฏิบัติสามทุ่มนึ่ก็นอนครับท่านล่าหลับ เที่ยงคืนไปแล้วประโยชน์น้อยจากการนอนสำหรับนักปฏิบัติเพราะว่านักปฏิบัติมันทำงานตลอดวันทางานตลอดวันพอดังคืนก็นอนพักผ่อนแต่ถ้าพักผ่อนแล้วมัยังง่วงอยู่ก็บอกตัวเองได้เลยกลางวันไม่ใช่เวลานอนเป็นเวลาทํางานนี่ความง่วงเหงานอนเป็น เขาลูกหนึ่งที่มันขวงกันไม่ให้เกิดการมารู้ทำลามันกันความคิดพุ่งสร้าง น, นี่ก็เป็นอันหนึ่งถ้ากิว่ามันคิดมันถูกจับความคิดจิตใจต่างๆมันเคยหลงโหนมันเคยท่องเที่ยวกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลววางคืนว่าขวัญกลางวันวาคิด มันไปของมั น, น, ส, นสันสติเกิดขึ้นสันสติเกิดขึ้นสันทะเลไหลไปไหลไปเหมือนน้าที่ไหลนะไหลพอว่าถูกขวางกันนิดหน่อยมันก็หาทางออกกานเจริญสติเหมือนพิ้งกระสอบทรายลงไปขวงน้ำที่มันไหลกระสอบทรายกระสอบตึงน้ำก็พยายามที่จะไหลผ่านกระสอบทรายให้ได้ แต่ก็สอบทรายสอบนั้นมันก็ทําหน้าที่ของมันอลู่ข้างที่สองลู่เข้าไปลู่เข้าไปโยนลงไปโยนลงไปเมื่อโยนลงไปมากๆน้าก็พยายามพยายามที่จะไหลเซาะไหลแทะออกไปแต่โยนบ่อยๆโ ย, ยนบ่อยๆหมายถึงความคิดนะความคิดเป็นอย่างนั้นเหมือนกัเรื่องอุปมามันก็ปลาที่มันถูก โผลแข็แต่มันอยู่เฉยๆมันไม่ดิ้นแต่ว่าปลาตัวใดที่มันถูกแขมันจะต้องดิ้นหาทางออกเพราะนั้น อ, อุปมามันวัวมา ม, มันไม่ใช่ความคิดความคิดจิตใจของเราเนี่ยเหมือนกันบางทีพอรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยไปกระทบกระเทือนกับสังขารคือการกรุงกรุงแต่งแต่งด้วย มันก็ต้องคิดเมื่อมันคิดเราก็หลงก็ไปาตามความคิดความคิดก็ได้โอกาสได้ทางบท น, นี้พอมันคิดขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวกลับมาอ น, นี้บทที่เราตั้งไว้อันนี้บทที่เราสร้างเพียงพอสามารถที่จะรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวความคิดมันก็หมดความคิดมันก็ยุด กลับมารู้สึตัวมีประโยชน์ตรงนั่นตรงนั่นด้วยเวลาใดที่มันหลงไปกับความคิดเรารู้สึกตัวเนี่ยโอ้ยประโยชน์มากทําบ่อยๆเถอะทําตรงนั่นบ่อยๆอย่าไปคิดว่ามันยากให้มีศรัทธาให้มีความเพียรมีความอดทนมีสติเข้าไปเวลาใดที่มันหลงคิดไปกลับมาได้ง่าย แต่มันคิดที่ใดไม่กลับพอใจที่จะคิดไปจนเครียดจนปงจนแตงไปกลายเป็นความเครียดกลายเป็นอุปท า, านไปมันก็ยากะนะยังกลับมารู้สึกตัวแล้วก็อาศัยรูปแบบอาศัยอะไหบทแต่มันคิดบางว่าก็อย่าอยู่ในอรไห่บทเดียวเรียนอรไหบทว่าอริหบทต้องใหม่เช่นเรานั่ง การนั่งนานๆมันก็พลาได้เหมือนกันมันก็อาจจะคิดเก่งก็เปลี่ยนอริบทอาจจะเดินเดินจงกรมโดอจกเทคนิคหาเหตุปัจจัยมาใช้ตามสมควรแก่เราวิธีที่จะปฏิบัติวิธีที่จะหาเทคนิคต่างๆไม่มีคำสอนตายตัวเราต้อง หาเอาเองเราจะแก้ไขเอาเองไม้บางทีเนี่ยแต่มันคิดัม ง, งมากมันงวงมากๆากเนี่ยแต่นั่งอยนั่งที่ไรก็งงนั่งที่ไรก็งงเราจะพยายามเอากับมันลองดูเราจะพยายามที่จะไม่นอนเคยทํามัอนกันแต่ไหมฝึกหัดใหม่ <c oughs> อาศัยกลางร่มเลยเดินโยงลมเลย ให้มันสมนำหน้าทั้งสองอย่างสมนำหน้าควง่วงกลางร่มเดินจงกรมหอเอาไปนั่นก็ไม่นะจนมันหายง่วงแล้วค่อยมานั่งกระโทตมึงขนาดนี้เลยจนมาพูดกับตัวเองชั่วตอนนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกเราพอ ก, กันง่วงก็ห า, หาปากขาว พอง่วงเราก็หลับตาปีลงไปอ้อนไปหมดเลยจังหวะที่สร้างเข้มแข็งกับปอกแปล ก, กแปลกไปเลยมันก็สู้ไม่ได้เพราะมันแรงแล้วก็เบาความที่มันรุนแรงเราก็รุนแรงกับมันแบบลองสู้ลองดูมันจะมีความเข้มแข็งตอนนั้นด้วามปฏิบัตินอกจากความคิดพวงง่วงมันก็จะมีความลังเลสงสยัย ทุกคนมีสมองมีความรู้แล้วก็รู้จริงๆเวลานี้เราไม่ใช่มาสอนท่านท่านรู้แล้วละ่ะแต่ว่าอยากจะมาชวนให้ท่านทําทําตัวของท่านนะั่นอย่าเอาความรู้มาใช้ตอนนี้อย่าเอาเหตุเอาผลมาใช้ใดๆทั้งหมดจะเป็นความรู้หลวงพ่อไม่สามารถที่จะรู้เหมือนพวกท่านทั้งหลาย แต่จะเป็นเพื่อนวาให้กลับมาเถอะมันลู่อะไรมันคิดผู้เหตุผู้ผลอะไรระยะไปแต่ไวลอความรู้เวลานี้ไม่ใช่เรามาคิดเอาเหตุเอาผลเรามาเจริญสติว่าอย่างนี้เวลานี้เรามาเจริญสตินี่พลิกมือขึ้นรู้จุดตัวนี้เลื่อนมือไว้ไปมารู้จึกตัวนี้ไม่ใช่เรามาเอาความคิดบอกตัวเองไม่ใช่มาเอาเหตุเอาผล คำตอบจากความคิดความผิดความถูกเอาความคิดเป็นคำตอบไม่ใช่ความรู้สึกตัวไม่ใช่ความคิดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกตัวโมกตัวเองอย่างนี้ก็จะเอาความรู้โอ้ยมันเป็นยานหอบกบลับปภกลับบ้านไปแล้วอ่ะเพราะฉนั้นเราจึงไม่ใช่มาเอาความรู้ไม่ใช่มาเอาเหตุเอาผลมาการกระทําวิธีใดที่เราจะรู้สึกตัวไปกับกายเนี่ยเราช่างออกมาม ความคิดเหตุผลต่างๆความลังเลสงสัยไม่ใช่ความสงสัยเอาเมื่อวางไว้บนเขาเมื่อเราอยู่ที่ไหนสงสัยหรือเปล่าไม่มีความสงสัยว่าเมื่อเราวางอยู่บนเขามีคำตอบเรเองแต่แคงมือขึ้นสงสัยไหมว่ามือเราแต่แคงอยู่สัจธรรมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ลังเลสงสัย งานที่เราทำเป็นงานชัดเจนอยู่แล้วเอกยกมือขึ้นรู้สงสัยไหมว่ามือเรายกอยู่ไม่ต้องสงสัยเลยเอามือมาวางไว้ตรงนี้ไม่ต้องสงสัยมีคำตอบไปในตัวใครเราตอบตัวเรานี่ยแหละตอบ เ, เองสงสัยอะไรนั่นเราจึงไม่มีคำสงสัยแล้วก็กลับมากลับมากลับมาสัมผัสเป็นการสัมผัสปฏิบัติธรรม สัมผัสกับความรู้สึกตัวเอากายเอากิตไปสัมผัสเอาเขาที่มันหลงเอาความรู้สึกตัวไปสัมผัสต่อเอาใหม่ไปต่อใหม่ไปสร้างใหม่สร้างแนวใหม่สร้างทางใหม่อันนี้นะการปฏิบัติธรรมออกจากความหลงเล่สงสัยแล้วก็ยังมีอนิสัย ที่มันที่มันเรียกร้องมันติดอะไรป่มันปเปื้อนอะไรมาชีวิตของเรามันติดอะไรมามันไปจุ่มอะไรมามันปเปื้อนอะไรมามก็จะตามมาอาจจะมีพยาบาทบางทีมาปฏิบัติธรรมอาจจะเกิดคิดไปคนนั่นทํากับเราอย่างนี้คนนั่นทํากับเราอย่างนี้คิดไปต่างๆนะเกิดพยาบาทเกิด กามลาคะเพราะว่ามันกระทบกระเทือนเหมือนกันออกมาปฏิบัติเ่าทําทเขา้าไปปรากฏว่าหน้าบูรหน้าเบิ่งพวกเขาไม่รู้ว่าทุกข์เรื่องใะ ไ, ไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรบางทีก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาจนเครียดตังง้งงนั่นแหล ะ, ะแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่ของกันเราเพียรพยายามอย่ารู้สึกตัวรู้สึกตัว ก็มีเท่านี้แหละความรู้สึกตัวเป็นตัวเฉลยถ้าไม่มีความรู้สึกตัวก็สร้างเอาไว้แต่ยังไม่ได้เฉลยก็สร้างเอาไว้ก่อนเวลานี่ก็มาสร้างไปก่อ น, นสร้างความรู้สึกตัวเอากายนี่แหละเป็นฐานให้มันคล้องตัวเมื่อเราเห็นกายโยบ่อยเมื่อเราเห็นกายย่อยๆสิ่งที่จะต้องแก้ปัปญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้แก้เลย มาทำกับความรู้สึกตัวกับกายอย่างเดียวถือว่ามันก็แก้ปัญหาไปได้จนมันเห็นเรื่องเก่าบ่อยๆเห็นเรื่องเก่าบ่อยๆเห็นกายบ่อยๆเห็นเวทนาบ่อยๆเห็นความคิดบ่อยๆเห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆมันก็มีความชมี่ชำนาญเหมือนพวกเราเห็นหน้ากัน เห็นกันหลายครั้งหลายหนก็จํากันได้แล้วจํากันไม่ใช่จชําเฉยๆรู้เปิตนิตไสเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันพึ่งพาอาศัยกันอถ้าเห็นกันอยู่ที่นี่ไปเห็นกันอยู่ที่อื่นก็สนิทคิดพ้นกันไปได้เลยการที่มาฝึกตนเองเนยความรู้สึกตัวที่มันไปเห็นอะไรผิด ดังไงถูกอย่างไร huh? ไม่เป็นไรบางทีมันหลงไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้สึกตัวพอมันรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปไปเห็นความหลงกับความรู้สึกตัวมันก็ต่างกันความหลงกับความรู้สึกตัวมันต่างกันไม่มีใครที่จะไปเอาความหลงผู้ที่เจริญสติผู้เคยมีสติผู้เคยมีสติไม่มีใครที่จะไปเอาความหลง เขาจะลู่จักกลับมาจะลู่จักกลับมามีความลู่จับตัวสิ่งใดที่มันหลอกเราเราก็จะต้องเห็นสิ่งเหล่านั้นชัดเจนแล้วเราเดินทางตรงไหนที่ทําให้เราหลงตรงนั้นจ ะ, ะเป็นสิ่งที่บ่งบอกทําให้เราใส่ใจการปฏิบัติธรรมไปอย่างนั้นมันก็ลูจ่จักแก้ตัวของมัน เรจาจกแก้ ค, คํามผิดเร้จกจุดที่มันหลงจุดอ่อนเสริมสร้างให้มันเข้มแข็งในจุดที่มันอ่อนจนเห็นกายเห็นจิตตามความเป็นจริงจากที่เราพูดว่ากายานุปัสสนาตามตาราตามหลักสูตรมีสติเห็นกายเวทนานุปัสสนามีสติเห็นเวทนามันเป็นสุขเป็นทุกข์ จิตตานนปัสนามีสติเห็นมันจิดเห็นมันคิดก่นนดอนคิดที่มันลักคิดไม่ใช่ไปดูกิตไม่ใช่ไปดูหอวใจไม่ใช่ไปจ้องดูเราดูกายต่างหากแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองจะเป็นเวทนาก็ดีจะเป็นจิตก็ ด, กดีจะเป็นธรรมก็ดีมันเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่ไปจ้องหามันเราดูอยู่จุดเดียวมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็น เราก็ลู้เอาลู้เอาแล้วก็กลับมาพอเราลู้ไปลู้มาสิ่งที่เราลู้อยู่ตลอดเวลาคือกายที่มันเคลื่อนไหวไปมาอย่างที่เราลู่ตลอดเวลามันก็คุ้นเคยแล้วแบความลู่สึบตัวไปคุ้นเคยกับกายที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นชัดเจนเห็นเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาเห็นเป็นรูปประธรรมเห็นเป็นนามธรรมขึ้นมาตอนเห็นเป็นรูปเป็นนามเนี่ย มันมีอะไรที่ที่มีชั้นเชิงเหนือกว่าที่ยังไม่ต้องไปเกี่ยวข้องก่อนมันหลุดไปเองนะมันจะหลุดไปเองจะเป็นกายก็ดีเป็นเวทนาก็ดีเป็นจิตก็ดีเป็นธรรมก็ดีสรุปลงมาเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นนามไปเลยแก้ปัญหาตัวนั้นไปเลยพอเห็นรูปเป็นนามเหมือนเราเรียน เมือนเราเรียนหนังสือแต่ก่อนก็ก็ไก่ขอไขมันอยู่ในกระดานแต่เนี่ยมันก็อยู่กับเราพอมันอยู่กับเราเราก็อ่านได้รู้ภาษาใช้ภาษาความหมายอย่างไรเราก็แตกฉานไปเลยถึงบทที่มันแตกฉานแตกฉานชั้นระดับประถมแตกฉานชั้นระดับมัธยมแตกฉานชั้นระดับ ผู้การปฏิบัติธนะรรมก็เหมือนกันนะพอมาลูบลูบลูนามเหมือนแตกฉานในชั้นปฐมได้หลักสูตรได้หลักสูตรได้พยัญชนะที่จะแปลไปเป็นอะไรความหมายอย่างไรนะพอเห็นโลกธรรมเห็นนามธรรมคาตอบที่เกิดจากลูบคำตอบที่เกิดจากน้ำเกิดขึ้นมาเองลูบมันบอกนามมันบอก แต่ก่อนในรูปมันใช่เรานามมันใช่เราวันนี้พอเรามาเห็นรูเปเห็นนามเราจะใช่รูปใช่านามแต่ก่อนรูปนามเนี่พาให้เราทำชั่วพาให้เราทำผิดพาให้เราเป็นทุกข์เราเคยทำชั่วพอรูปเราเคยทำชั่วพอนามพอมาเห็นรูเปเห็นนามมันบอกเรามันไม่ใช่อื่นใดมันเป็นรูปเป็นนาม เหมือนกับว่าสติตัวนี้เป็นเจ้าของรูปเป็นเจ้าของนามทันทีเลยทีเดียวใช่รูปใช่นามให้ทำความดีแลไรบ้าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปรูปหมดรูปครบรูปท้วนเพราะรูปมันบอกความไม่เที่ยงเป็นยังไงความเป็นทุกข์อย่างไรความไม่ใช่ตัวตนอย่างไรในการปฏิบัติธรรมมันจะไปอย่างนี้ ที่จริงมันก็สอนเราแหละตัวเราเองสอนตัวเราเองเห็นตัวเราเองแล้วก็ช่วยตัวเราเองดูแลตัวเราเองการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทิ้งขว้างแต่ก่อนให้เราปล่อยให้เราหลงเราปล่อยให้เราสุขเราปล่อยให้เราทุกข์เราปล่อยให้เราลู้เราปล่อยให้เราผิดถูกอะไรต่างๆนานาไป แล้วแต่อะไรจะมาใช้เราพอเรามาใช่รูปใช่น้ำแม้แต่รูปแม้แต่นามสบายก่อนยังไม่เป็นธรรมต่อกันรูปเป็นทุกข์เพราะน้ำน้ำเป็นทุกข์เพราะรูปกายเป็นทุกข์เพราะใจใจเป็นทุกข์เพราะกายแต่นี่มันจะเห็นเห็นแจ้งตามความเป็นจริงไม่เอามาเป็นทุกข์เอามาเป็นปัญญาเอามาเป็น เครื่องกำหนดลูกเอามาเป็นเครื่องช่วยให้เกิดปัญญาความหลงกลายเป็นปัญญาความทุกข์กลายเป็นปัญญาความผิดกลายเป็นปัญญาแต่ก่อนความหลงสร้างความหลงความโกรธสร้างความโกรธความทุกข์สร้างความทุกข์พอมาเห็นลูกเห็นนามแล้วความหลงสร้างความรู้ความผิดสร้างความถูก ความทุกข์สร้างความไม่ทุกข์ความโกรธสร้างเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนกันตรงกันข้ามไปเลยมาพร้อมกันเกิดพร้อมกันเกิดที่เดียวกันดับที่เดียวกันมันเป็ น, นอย่างนั้นเป็นตรงกันข้ามตรงกันข้ามถ้ามีทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกข์ ท, ทันทีถ้ามีโกรธก็ต้องมีไม่โกรธ ท, ทันทีถ้าไม่หลงก็ต้องมีไม่หลงทันที จึงถูกต้องถ้าความหลงแบบไม่ีความหลงเลยไปไม่ถูกต้องเลยเป็นสัจธรรมอยู่ตรงนี้ <c oughs> ชีวิตเราได้สัจธรรมได้ควาเป็นธรรมอยู่ตรงนี้เวลาใดมันหลงมันต้องมีความรู้คู่กันเตาความหลงเป็นใหญ่เป็นโตไม่ใช่เป็นธรรมไม่มีความชอบธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรม ความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมใครบอกไม่มีใครบอกสัมผัส ด, ดูแล้วสัมผัส ด, ดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงมันเป็นญาณมันเป็นปัญญามันทะลุทะลวงไม่มีใครบอกแล้วก็เลือกได้มาเลยเลือกได้รู้จักปฏิบัติต่อตัวเองมีความเป็นธรรมกับตัวเอง รูกกับนามก็ไม่เบียดเบียนกันเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนความร้อนเป็นทุกข์ที่ลูกแล้วเป็นทุกข์ที่นามความหิวเป็นทุกข์ของลูกเป็นธรรมชาติเป็นอาการของลูกแต่เป็นทุกข์ของน้ำก็นีเมื่อมาเห็นอย่างนี้มันเป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอาการอย่างไรเกี่ยวกับลูกกับนาม ถูกต้องใช่โลกใช่น้ำทำความดีตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ใช่โลกใช่น้ำทำความชั่วอยู่ในกำมือของเราชีวิตยอยู่ในกำมือของเราแล้วพอมาเห็นโลกเห็นน้ำเห็นหลักเห็นหลักได้หลักยึดหลักใช้หลักเกี่ยวกับโลกกำนามอย่างถูกต้อ ง, อ, งอะไรที่มันเกิดขึ้นกับโลกกำนามแค่ไหนเพียงไหน เราเกี่ยวข้องกับรูปกับนามทูกแม้มันจะมีอยู่ก็เกี่ยวข้องกับมันทุกจะมีความหลงอยู่ก็เกี่ยวข้องกับความหลงผูกจะมีความทุกข์อยู่ก็เกี่ยวข้องกับความทุกข์ผูกไม่ให้ลูกหลามเป็นอุปทานเป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นปัญหาข้ามวันข้ามคืนควบคุมได้แม้ยังไม่อยู่ก็ควบคุมไดนะ้อาจจะกระตือรือล้อนตรงนั้น เหมือ น, นกับเราเป็นขี้กากสนใจมากที่ต้องรักษาขี้กากให้หายไม่ปล่อยปะแล้วเลยชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นตรงไหนที่มันไม่มีความเป็นธรรมสร้างขึ้นมาก็นะกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่เขาไปถลงุงที่เขาไปย่อยศีลถีงเป็นคารขูดเกา่ากาจัดสิ่งที่ชั่วออกไป สมาธิก็กำจัดสิ่งที่ชั่วออกไปปัญญาก็กำจัดสิ่งที่ชั่วออกไปไม่เอาไปโอ้อวดนะเป็นสมบัติของกายของของรูปของนามศีลเป็นสมบัติของรูปของนามความหลงไม่ใช่เป็นสมบัติของรูปของนามไม่ใช่เป็นโทษเป็นไถ่มันก็เห็นเห็นแจ้งเนี่นะล่วงพ้นเพราะว่าเก่าร่วงพ้นเพราะว่ า, วาวเดิมเหมือนกันเลื่อนฐานะ เลื่อนฐานะขึ้นมากับการใช้ชีวิตของเราไม่ไม่ไม่ต่ำชีวิตที่ไม่ต่ำเป็นภาวะที่ดูเป็นภาวะที่เห็นเห็นอะไรแต่ก่อนความร้อนเป็นผู้ร้อนความหนาวเป็นผู้หนาวความหิวเป็นผู้หิวความหลงเป็นผู้หลงความสุขเป็นผู้สุขความทุกข์เป็นผู้ทุกข์มันต่ำแว่นี่พอเมตก ข, ขึ้นมา มันเห็นเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันหิวเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนเห็นแล้ว่ะเป็นชีวิตที่เห็นสูงขึ้นมาถ้าเห็นแล้วก็หลุดพ้นี่ตรงนั้นด้วยมันหลุดพ้นเพราะภาวะที่เห็นภาวะที่เป็นไมหลุดพ้นภาวะที่เห็นทาให้หลุดพ้นมาพร้อมกันความเห็นกับการหลุดพ้นมาพร้อมๆกัน แต่ก่อนมันเป็นเข้าไปเป็นเป็นกายเดีมีตัวมีตนอยู่ในกายมากมายเวทนาก็มีตัวมีตนอยู่ในเวทนามากมายแม้แต่ความคิดก็มีตัวมีตนอยู่ในความคิดาความสุขความทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์จริงๆแล้วมันไม่มีสุขทุกข์นะสุขทุกข์มันไม่มีนี่จะเห็นมันแม้มันมีมันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตน ไม่ใช่ตัวใช่ตนอันสุขอันทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวใช่ตนในความสุขในความทุกข์เราหลงกันที่แท้คือปัญญามาลู้แก้งในตัวปัญญานี่ตัวที่เป็นตัวเฉลยชีวิตของเรานะเพราะนั่นการพูดการสอนธัรมะไม่ใช่สอนให้ลู้เด็ดขาดท่านผู้ฟังทั้งหลาย สอนให้ท่านช่วยตัวท่านเองแล้วสอนให้ท่านต้องช่วยตัววิธีใดที่จะทำให้เกิดความรลดสุดตัวต้องสร้างขึ้นมาต้องสร้างเอาใครเขาช่วยเราไม่ได้เวลาใดที่มันหลงท่านก็ต้องเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เอาเองต้องนั่นแหละจึงพยายามที่จะมาดูแลตัวเองแทๆ้ๆการปฏิบัติธรรมมาช่วยตัวเองแทๆ้ๆถ้าใครดูแลตัวเองคุ้ม ก็ดูแลคนอื่นคุ้มเหมือนกันถ้าช่วยตัวเองเป็นก็ช่วยคนอื่นเป็นนะนี่คือการปฏิบัติธรรมเพราะมันเป็นคนคนเดียวกันชีวิตเราเหมือนกันวันนวันนี้ก็สงควรจะเวลาเอาเท่าเนก่อนเนาะเราเราก็กราบพระพร้อมกัน